มีคนถามว่ามีวิธีการสอบทเรียนดบบอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่การตั้งคำถามหรือไม่เป็นเครื่องมือได้หรือไม่การตั้งคำถามที่มันเป็นวิธีที่เรียกว่าเรียกว่าลัดละตรงนนในการที่ทำให้คนเนี่ยถูกคิดหรือว่าหันมาทบทวนใส่ ต, ตรองประสบการณ์ที่ได้ผ่านมา ถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามถูกแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ใช่การตั้งคำถามก็ได้มีบางวิธีเช่นให้เขาบันทึกบันทึกถึงความรู้สึกในระหว่างที่ผ่านประสบการณ์นะให้เขาได้บันทึกซึ่งอาจจะยากกว่าการตั้งคำถามเพราะคนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ช่อยชอบบันทึกหรอกแต่ว่าถ้าถามว่ามีวิธีอื่นไหมก็คือการบันทึกแล้วก็การบันทึกจะทาให้เขาได้กลับมาไต่ตรอง ประสบการณ์และความรู้สึก ข, ของตัวเองและอาจจะทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอต้องเล่าเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์ให้กับคนอื่นมีการแบ่งปันกันไอ้การในช่วงที่เขาได้แบ่งปันเนี่ยเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาจะได้ไตรตรองไปด้วยคนเราเวลาจะพูดเวลาจะเล่ามันไม่ใช่เล่าสดๆ ม, มันจะมันจะมีกระบวนการไตรตรอง ตรงนี้เองที่สายพันธ์ชีวิตนี่มีประโยช น, สยนช์สายพันธ์ชี่เป็นช่วงที่ทําให้เราได้ไต่ตรองชีวิตในขณะที่เราคิดและเราก็เล่าเรื่องนะกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ได้ไต่ตรองแล้วเราไต่ตรองได้ระหว่างที่เรากําลังเล่าเรื่องและอีกกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งที่กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้คือการที่เราได้ฟังได้ฟังคนที่ผ่านประสบการณ์เดียวกันแต่ว่าเขาได้แง่คิดบางอย่างก <c oughs> ็มีประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เราได้ฉุกคิด เช่นปลูกป่าด้วยกันไปช่วยไปช่วยเด็ก mm hmm. เด็กเร่ร่อนด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็เล่าว่าาได้พบอะไรบ้างได้ประสบอะไรบ้างไอ้ช่วงที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผ่านกระบวนการกลุ่มนั่นเองกระบวนการกลุ่มก็คือว่าอันที่1นเนี่ยอ่าไต่ตรองด้วยการคิดไต่ตรองด้วยการบันทึกประสบการณ์อันที่2เล่าเรื่องอันที่3ามฟัง เราจะไม่ใช้การตั้งคําถามแต่เราตั้งประเด็นให้เขาให้เขาคิดตั้งประเด็นให้เขาคิดก็ได้เช่นถามว่าใช้ให้เขาตั้งประเด็นว่าให้เขาทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาในระหว่างทำกิจกรรมอันนี้ไม่ใช่การตั้งคําถามแต่เป็นการตั้งประเด็นถ้าเราไม่ตั้งประเด็นให้เขาคิดเขาก็ไม่คิดใช่ไหมแต่พอเราตั้งประเด็นเนี้ยเขาก็จะเลิกคิดละหรือให้เขาบันทึกแต่อย่าบอกว่าการบันทึกนี่อาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะแต่สําหรับเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ แต่ว่าเตั้งตั้งประเด็นให้เขามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้แหละที่กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการกลุ่มหรือนะการให้เขาถ่ายทอดเป็นเป็นถ่ายทอดเป็นเป็นศิลปะเป็นภาพวาดอันนี้ก็ช่วยได้เช่นผู้ว่าความรู้สึกก่อนที่จะทบกิจกรรมเป็นอย่างไรให้เขาวาดภาพ เมื่อทําเสร็จให้เขาถ่ายทอด เ, เป็นภาพว่ารู้สึกอย่างไรตอนแรกเขาอาจาาอาจะวาดภาพเ ป, เป็นก้อนถินหนัหนกๆคล้ำๆแต่พอเขาได้ทํากิจกรรมแล้วเนี่ยเขาว่าเป็นดอกไม้นะมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาเองก็จะเห็นบางทีถ้าไม่ทไม่วาดเขาก็ไม่รู้ตัวนะแต่พอได้วาดแล้วเนี่ย <c oughs> เขาได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้า น, นอารมณ์มันเกิดขึกับตัวเขานะและยิ่งถ้าเขถ่ายทอดให้กับเพื่อนไลฟ์ให้กันฟังเนี่ย มันก็จะเห็นได้ลึกขึ้นลึกขึ้นนะอันนี้เป็นเป็นวิธีการเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่การตั้งคําถามแบบสดๆนะผลลัพธ์ในการทำกิจกรรมที่เป็นนา ม, มาทําเช่นความสุขหรือการเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีการทุกคนอย่างไรทั้งในระดับบุคคลและภาพรวมและอะไรคือสิ่งที่สุดแท้ด้วยปัญญาอยากจะเห็น คือส่วนหนึ่งก็อาจจะให้เขาประเมินตัวเขาเองให้คะแนนตัวเขาเองนะให้คะแนนตัว เ, เขาเองว่ า, าจากตอนเริ่มต้นกับตอนถึงปัจจุบันหลังจากทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเาให้คะแนนตัวเอย่างไรถ้าคะแนนเต็มส0บเขาให้คะแนนตัวเองเท่าไหรนะ่ในเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของความพอใจนะ อันนี้ก็จะทำให้เขาได้ผันมามามากลับมาใต่ตองตัวเองแล้วก็ให้คะแนนตัวเองได้การให้คะแนนตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกส่วนตัวมากหรือว่าเป็นเรื่อง subjective เป็นอัตวิสัยแต่ว่ามันก็จะพอจะบอกชี้ให้เราได้เห็นว่าเขาได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือเวลาจะใช้วิธีการตั้งโจทย์ให้นะเขาตอบนะแล้วก็มีการ มีการตอบโจทย์ที่เราวชืวมันมีความมีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นการวัดผลได้นะแต่จะต้องเป็นโจทย์ที่ไม่ทําไม่ใช่ทำให้เขาเดาคำตอบได้ว่าผู้ตอบต้องการอะไรถ้าเขาเดาได้เขาก็จะตอบตามที่เราพอใจที่เราต้องการมันก็อาจจะไม่ใช่เครื่องวัดผลอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการการตั้งโจทย์และการให้เขาเลือกคาตอบนะแล้วเราก็เอาภาพรวมทั้งหมดเนี่ย ของแต่ละคนนี่ก็ตอบนีมามาหาภาพรวมได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะนอกนั้นก็เป็นเรื่องการอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจต้องทําหลายช่วงเช่นทําช่วงที่ทำกิจกรรมจบแล้วก็ลอยลอยสักพักหลังจากที่เขาได้ผ่านกิจกรรมนั้นไปสักครู่สักหรือสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะหนึ่งวันสองวันสามเดือนอสองสามอาทิตย์ <c oughs> นะก็แล้วแต่เราก็จะเห็นเห็นอ่า พัฒนาการที่พอจะวัดผลได้อะไรทุกสิ่งที่สุขแท้ด้วยปัญญาอยากจะเห็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะแต่ว่าสิ่งที่สุขแท้ด้วยปัญญามันถ้าหมายถึงโครงการเนี่ยก็หมายถึงว่าทําให้เขาเนี่ยได้ได้เห็นได้ได้เห็นว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขงตัวเองหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านไหนนอกจากการที่เขาได้ทํากิจกรรมที่ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงด้านไหนเกิดขึ้น นะซึ่งเราคิดว่าความเป็นแปลงที่สำคัญก็คือทักษะติศิทธการนี่แหละที่มันช่วยทำให้ขับเคลื่อนทำให้สามารถจะขับเคลื่อนชีวิตเขาเไป ส, ไปสู่ไปสู่ความเตือ่นแปลงที่ที่ดีงามมากยิ่งขึ้นไปนะแต่นี่เนี่ยอย่าเอาสุขแท้ด้วยปัญญาเป็นเป็นเกณฑ์ต้องเอาเราซึ่งเป็นผู้ทงกิจกรรมนี่แหละเป็นเป็นเป็นเกณฑ์เป็นหลักนะเราจะถ่ายทอด หลือที่ปลายทัศนคติสี่ข้อแก่กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนได้อย่างไรในเมื่อเราก็ยังเขา้าใจไม่ชัดหรือสมาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะหรือไม่เห็นความจาเป็นว่ า, าต้องอธิบายหรือถ่ายทอดให้เขานะในเรื่องทัศนคติสีประการแต่ว่าควรจะควรจะช่วยทําให้เขาได้เห็นถึงความเปลีป่ยนแปลง ที่เชื่อมโยงกับท่านชักกติศีระการด้วยตัวเขาเองเราถ่ายทอดให้เขาให้เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนครูสอนศิลธรรมเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เขาอาจจะดาวข้อสอบได้ว่าเราต้องการอะไรจากจากเราแล้วเขาก็จะตอบข้อสอบตามที่เราอยากจะเห็นซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ใช่เป็นเครื่องชี้ว่าความเีิดการพิแพ้จิงเพราะฉะนั้นต่อมาคืออาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการที่อธิบายว่าทักษัคคีศีระการคืออะไรนะแต่ว่าช่วยเขาได้เห็นด้วยตัวเ้าเอง จะดีกว่าจะเห็นมากหรือน้อยก็ <c oughs> กเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเขาเห็นด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็จะเขาก็จะภูม <c oughs> ิจ <c oughs> จใจคราวนี้เนี่ยการที่เราช่วยเขาเห็นด้วยตัวเขาเองเนี่ยเราเองต้องเห็นด้วยตัวเองก่อนเราเองต้งเข้าใจลึกทัศคติสีประการก่อนถ้าเราไม่ชัดเนี่ยนอกจากเราจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยการที่เราช่วยเขาเห็นก็ทําได้ยาก ว่าตลอดคิดว่าเราต้องเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อนที่เราจะไปอธิบายกับใครเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก็คือชัดแล้วก็เห็นด้วยตัวเองว่าเมื่อเราคิดถึงผู้อื่นทําเพื่อผู้อื่นแล้วเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรเราได้พบความสุขด้วยตัวเองว่าเมื่อเราได้ทํางานที่ยากและสอบสำเร็จแล้วมีความสุขเราพบความสุขจากงานเราพบความสุขจากการที่ได้ทําเพื่อผู้อื่นนะเราพบว่าความสุขนี้ไม่ต้องพึ่งวัตถุไม่ต้อง เราะว่าความสุขกับความสนุกหรือความสบายไม่ใช่อันเดียวกันความสนุกความสบายไม่ใช่ความสุขนะสนุกสบายแต่ไม่สุขก็เยอะนะคนรวยที่ข่าตัวตายก็มีมากมายนะธุ้กิจเขาก็สนุกแล้วก็สบายแต่เขาไม่มีความสุขงั้นถ้าเราเห็นตัวเองว่าความสุขกับความสบายมันไม่ใช่อันเดียวกันถึงไม่สบายก็มีความสุขได้เราก็จะสามารถที่จะชี้นาหรือว่าช่วยให้ คนอื่นเนี่ยเขาเห็นด้วยตัวเขาเองได้แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปมันก็เป็นแค่การท่องจำนะซึ่งเขาก็เองก็คงไม่ทราบซึง้งคนฟังก็คงไม่ทราบซึง้งนะแต่ถ้าเราเห็นด้วยตัวเองและเราเราทำให้เขาดูและเราทากิจกรรมทำให้เขาเห็นมีส่วนร่วมเราก็จะสามารถที่จะดึงเอาบทเรียนมาให้เขาได้เห็นด้วยตัวเขาเองว่าเออ ความสุข ม, มันมีอยู่ในงานนะสุขแทบมมอยู่แต่ในงานนะสุขที่ไม่เหวัตถุ ก, ก็มีนะอาตมาเชื่อในเรื่องต้นตรงนี้การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมดวงสุดทัศนคติข้อ4ี่คือคิดอย่างมีเหตุผลเป็นประโยชน์ เ, น เ, นเกื้อกูลควรทําอย่างไรเพราะที่ผ่านมาพวกเราค่อนข้างยากก็ต้องตีให้ชัดว่าคิดอย่างมีเหตุผลเป็นประโยคเกื้อกูลนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างอาตมาก็ไม่ไ ม, ไม่ได้คาดหวังมากนะเช่นถ้าเรา รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นคิดวิเคราะห์คือคิดสามารถที่จะสาหาเหตุสาหาเหตุได้ไดเช่นเวลาทำงานแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะบวกหรือลบเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างผลกับเหตุอันนั้นก็ถือว่าเขาเริ่มมีวิธีคิดที่เป็นประโยชน์เกื อ, อกูลแล้วหรือสามารถที่จะมองต่อไปว่าเมื่อทาแล้วอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นตามมา อย่างที่ธรรมาได้คุยกับลุงอ้วนนะเมื่อเมื่ อ, เ, อเรื่องเรื่องหลวงพ่อประสิทธิ์นะว่าเมื่อเราเมื่อเวลาเราจะเวลาใครเข้าว่าเราเราอยากจะตอบโต้เนี่ยให้เราลองคิดต่อไปว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาก่อนที่จะทําเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยถ้าเขาไม่คิดถึงผลที่ตามมาเนี่ยเขาก็จะทําตามอำเภอใจได้ง่ายใช่ไหมมันก็ นำเกิดผลเสียและเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาของคนเราคือว่าเราทําอะไรโดยที่เราไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาวัยรุ่นที่ยิงปืนเข้าใส่เพื่อนสักเข้าใส่ศัตรูบนรถเมย์เนี่ยเ <c oughs> ขาไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาเลยพอจับไปได้พอจับพอจับคนเหล่านี้ได้เขาบอกว่าเขานึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนโดนลูกหลงตายไอ้ของท่านี้ทําไมทําไมไม่คิด นะถ้าเขาคิดแล้วเนี่ยบางทีอาจจะยัยงช่างใจได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดนะถึงผลที่จะตามมากูอยากทําก็ทํเดี๋ยวนั้นเล ย, นะ ย, เยแค่เพียงแค่เขาเนี่ยหนึ่งสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้จากกิจกรรมที่ทำเนี่ยสำเร็จก็ดีไม่สาเร็จก็ดีหาสาเหตุซิอันนั้นได้ไประโยชน์ละสองจะทำแล้วก็ตามมองให้ตลอดสายว่าเกิดผลอะไรตามมานี่วิธีคิดแบบ ทำผู้สัตว์นั้นคิดแบบเชื่อมโยงคิดแบบหาส า, หาเหตุปัจจัยหรือเวลาเตือดอตะไรขึ้นเนี่ยลองมองหาข้อดีซ้ะว่ามันเป็นอย่างไรนี่คิดว่าคิดแง่บวกเวลางานล้มเหลวลองมองซ้ะว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงานนั้นเราได้ประโยชน์อะไรจากความล้มเหลวอันนั้นแหละคือการคิดแบบมีประโยชน์คิดแบบเกื้อกูลคิดถูกคิดเป็น คือสามารถใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าบวกหรือลบได้ถ้าถ้าเข้าใจการในความหมายนีย่ว่าคิดถูกคิดเป็นคิดมีปรอบคลุมเนี่ยมันคืออะไรบ้างเช่นคิดแบบวิเคราะห์เป็นคิดสาหาสาเหตุโยงไปถึงผลได้คาดการได้หรือว่าคิดแบบแยกแยะ เ, เห็นแง่บวกรู้จักหาประโยชน์อัตมาว่าเท่านี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้ว แล้วถ้าทำให้เป็นนิ ส, สัยเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะทำงานหรือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แล้วก็ไม่ถล่มไปในทางที่พลาบการทำให้เขาเนี่ยได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้รู้รจักคิดเพราะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะใคร้ควรมากขึ้นจะจะใช้สติปัญญามากขึ้น ให้เขาได้ลองผิดลองถูกและผิดนั้องจะสอนเขาผิดมันจะเป็นครูสอนเขาเนะพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ากลัวล้มเหลวข อ, อให้เขาได้ลองทำนะอย่าไปวัดเอาความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าถึงแม้มันเสร็จเป็นรูปธรรมแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ไม่เสื่อประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเ้าทําแล้วมันล้มเหลวแต่เขาได้เรียนรู้อันนั้นต่อมาแค่มีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นอย่าอย่าอย่าวัดกันตรงที่ว่ามันสําเร็จออกมาน่าพอใจไหม แต่ให้ดูว่าเขาได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่าถ้าล้มเหลวแต่เขาได้เรียนรู้แตมาว่าดีกว่าสําเร็จแต่เ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะว่าเขาลอกกันนะเด็กที่ทำกันบ้านลอกๆ ก, กันเนี่ยนะมันดีหมดะนะได้สิบคะแนนเต็มแต่เด็กความได้ความรู้ไม่ถึงไม่ได้ความรู้เพราะเด็กลอกแต่ถ้เขาเด็กเขาทาเองแต่เขาทาแล้วเนี่ยเ้าทำไม่ได้คะแนนถูกแค่ข้อเดียว แต่มาว่าตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ต้องทําให้เขาเห็นด้วยว่าอย่างนี้มันดีกว่ามันให้ทําให้เด็กเขาเห็นว่าถึงแม้คุณได้คะแนนน้อยแต่คุณทํำด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าภูมิใจและมันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวคุณมากกว่าที่คุณไปลอกเขาแล้วคุณได้คะแนนเต็ม้เดี๋ยวนี้เราไปเราไปเอาที่เราเราเป็นนอกาเป็นเน้นที่ผลปลายผลที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้สนใจว่าไอกระบวนการที่นําไปสู่ผลนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่า อัตมาคิดว่าเราต้องให้ความสำคัยกับกระบวนการมากขึ้นนะผลเนี่ยมันเป็นยังไงอีกเรื่องนึงแต่ว่ากระบวนการถ้าเป็นกระบวนการที่ดีถิงแม้ผลจะออกมาไม่ดีอย่างน้อยคนทำานี่ก็ได้เรียนรู้แล้วและต่อไปก็จะทำได้ดีมากขึ้น <Yeah. S 1> ก็คิดว่าคงตอบวันนี้ <c oughs>